สรุปว่าสูตรที่หนึ่งผ่านไปนะพระองค์พิจารณาอยู่สี่ชั่วโมงของเราเรียน เ, เรียนสูตรเดียวเช้าบ่ายคำ่ำได้เวลาได้อะไรนะถือว่าไม่ใช้เวลาไม่น้อยเลยนะแต่ก็จำได้แต่หัวข้อก็ดีแล้วนึกโมทนาด้วยจะต่อไปจะได้พิจารณาลึกๆขึ้นเนี่ยนะอย่าเพิ่งเรียบบรรลุเลยเนี่ยนะให้ให้ทำความเข้าใจให้มากกวนนี้ก่อนเพื่อจะได้ละโมหะมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะ ก็ามายังนึกในใจนะถ้าเรารู้แค่นี้แล้วบรรลนะุนันแหมมันว่าดูถูกพระธรรมมากไปเหมือนกันนะรู้นิดๆเี่ยหน่อยๆบรรลุได้อย่างไงเนี่ยนะแปลกใจมากเลยนะดันั้นก็ศึกษาให้ละเอียดให้ลึกซึ้งห้อะไรนะให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยตรัสรู้ทำมันเลิศด้วยปัญญาเร็วๆเนี่ยไม่เพียงพอหรอกเนี่ยนะนะแต่ถ้าใครมีบุญก็อนุโมทนาด้วยมาดูสูตรที่สองเลยนะสูตรที่สองเนี่ยแปดสิบสูตรเพิ่งได้สูตรเดียวเนี่ย สูตรที่สองเรียกว่าทุติยะโพทิสูตรปฏิจจสมุบาทเป็นปฏิโลมข้อ39ข้าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ่ตรัสรู้ใหม่แปลว่าตรัสรู้ก่อนกว่าคนอื่นทั้งหมดช่วงนั้นยังไม่มีใครตรัสรู้เลยพระองค์ก็ยังประทับอยู่ที่โคนต้นโพใกล้ฝั่งแม่น้าเน ร, รัญชาที่ตาบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งสวยวิมุติสุขด้วยบลังอันเดียวตลอดเจวันพอล่วงสัปดาห์นั้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วออกจากสมาธิคืออรหัตตผลสมาธินั้นแล้วทรงมนานัสการปฏิจจสมุบาทอันเป็นปฏิโลมด้วยดีแบบปฏิโลมนี่ใครควรอย่างละเอียดตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีก็คือพิจารณาอย่างละเอียดตอนตีสองถึง ขออภัยสี่ทุ่มถึงตีสองสี่ชั่วโมงเนี่ยพิจารณาอย่างละเอียดเลยดังนี้ว่าอันนี้เขาให้แนวทางว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับคือเพราะวิชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตระนัจึงดับเพราะสลายตระหนักดับภาษาจึงดับเพราะภาษาดับ เวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพเจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาเจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ไม่มีสัตว์ที่ไหนไปดับใช่ไหมมีแต่กองทุกขเท่านั้นที่ที่ดับเนี่ย บอกว่าถ้ากองสุกโอ้ยถ้าสุกไม่ต้องดับแล้วให้มันเกิดนั้นนั่นแหละนานๆดีแต่นี่หมายถึงว่าตรัสรู้ต้นเหตุที่ทําให้ดับทุกได้นั่นแหละลําดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วนะทราบเนื้อความนี้คําว่าเนื้อความนี้แปลว่าการอย่างรู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยแล้วจึงเป่งอุทานในเวลานั้นคือรู้ว่าตัวที่ทําให้สิ้นปัจจัยเนี่ยคือตัวนี้นะ ถ้าตรัสรู้อย่างนี้จกสิ้นปัจจัยเลยพระองค์ก็อุทานว่าในการใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีผู้มีเพียรเพ่งอยู่ทำทั้งหลายคืออะไรนะทวนอีกครั้งทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามทำคือหนึ่งโพธิปัจขยธรรมสองอริยสัจจะธรรมเมื่อโพธิปักขยธรรมหรืออริยสัจจะธรรมเนี่ยปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่อย่างนี้ ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะรู้แจ้งความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายนนรู้ความสิ้นรู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยเนี่ยนะทำให้ตัดความสงสัยได้โดยประการทั้งปวงสูตรก่อนนี้รู้อะไรรู้ทำพร้อมทั้งเหตุคือรู้สังขารเป็นต้นพร้อมทั้งเหตุคืออวิชชาเป็นต้น ตรงนี้ก็คือมารู้ความดับสังขารเป็นต้นเพราะความดับไปแห่งอวิชชาอาวิชชาอันนี้เป็นสูตรที่เป็นปฏิโลมเนี่ยนะปฏิโลมคำว่าปฏิโลมนี่แปลว่าอะไรปฏิโลมบทว่าปฏิโล ม, มังความว่าปัจจัยการมีอวิชชาเป็นต้นที่กล่าวไว้โดยในเป็นต้นว่าเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับคือสังขารดับไปเนี่ยนะเพราะอาวิชชาดับวิญญาณดับไปเพราะ สังขารดับนามรูปดับเพราะวิญญาณดับเป็นต้นเนี่ยนะการรู้ความความสิ้นไปความดับไปความหมดไปแห่งปัจจเนี่ยนะปัจจยุบันคือผลนั้ น, น, นดับอย่างนี้แหละเรียกว่าปฏิโลมเพราะอะไรเพราะไม่ทำกิจที่ตนควรทำตอนก่อนนี่อวิชชาเป็นปั จ, จัจจึงมีสังขาร น, นะทำงานเต็มที่เลยตรงนี้พอประหารพอประหารเหตุปั๊บเนี่ยผลก็เลยดับดั บ, ด, บดับไปอย่างนั้นแหละ เขาว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะมันมีเขาคิดแบบรถไฟเขาว่ากันเรียกว่าสังสารจักรเนี่ยนะมันมีหัวจักรอยู่สองหัวถ้าตัดหัวจักนี้ได้ความทิ้งซะรถไฟโรกเนี่ยเลิกอย่างเดียวหัวจักคืออวิชากับตันหาถ้าตัดสองหัวนี้ได้นะจบเลยอวิชาตัดด้วยวิปัสสนาตันหาตัดด้วยสมถะแต่เชื่อไหมว่าถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งตัดไม่ได้ สมถาวิปัสสนาต้องคู่กันเคียงคู่กันนะจึงตัดได้เพราะนั้นวิปัสสนาอย่างเดียวก็ตัดไม่ได้สมถะอย่างเดียวก็ตัดไม่ได้ต่อเมื่อเคียงคู่ขนานกันจึงตัดได้ต่อไปเลยนะในหน้าเจ็สบสี่บอกว่าอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปฏิโลมเพราะย้อนความเป็นไป <c oughs> ก็เพราะไม่ได้กล่าวถึงตั้งแต่ที่สุดหรือท่ามกลางจนถึงเบื้องต้นในที่นี้ ความที่ปัจจัยาการเป็นปฏิโลมโดยความอื่นจากนี้ไม่ถูกต้องอนะพวกนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายสับแสงไปงั <Yeah. S 1> ้นคำว่าปฏิโลมคืออนุโลมหมายคือว่าพูดพูดเหตุผลเหตุผลเหตุผลแต่ปฏิโลมปั๊บตรงกันข้ามเลยอนุโลมเนี่ยคือทุกขสัจกับสมุทัยสัจจะปฏิโลมคือนิโรสัจกับมรคสัจจะเนี่ยนะอธิบาย อัดปฏิโลมปฏิโลมแบบย่อใช่ไหมอิมัสมิงอาสติอีทังณนโะหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีหมายคมว่าเมื่อปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นไม่มีคือที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันเกิดดับใช่ไหมใช่ไหมนี่ปาก็เอาไปกับเขาด้วยนะนะดูตามนี่ติโถนึ้ แก้งหน่นะถ้าเสียคนล้เมื่อปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นไม่มีเนี่ยนะไม่ใช่อวิชามันเกิดดับแบบนั้นแต่หมายถึงอวิชชาเนี่ยถูกอริยมรรคเนี่ยละเสียแล้วคือเจริญอริยมรรคจนถึงอรหัตตมรรคเกิดขึ้นประหารอวิชชาโดยเด็ดขาดผลมีสังขารเป็นต้นก็ไม่มีคือเป็นไปไม่ได้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีถ้าอวิชดาดสังขารก็ดับ อวิชานี่มันอยู่ๆมันดับได้ง่ายๆหรอเนี่ยนะไม่ง่ายหรอกเพราะฉะนั้นจะต้องอรหัตตมรรคเกิดขึ้นนั่นแหละเอาสูงสุดเข้าไว้ก่อนนะนะเมื่ออรหัตตมรรคเกิดขึ้นเนี่ยเป็นประดุดฟ้าผ่าเนี่ยผ่าวิชากระจายไปหมดเลยถ้าแต่ก็มีนะ อ, อ, อะไรนะธรรมะดุดฟ้าแลบกับดุดฟ้าผ่าดุดฟ้าผ่านี่เป็นชื่อของอรยมรหัตตมรรคเนี่ยดุดฟ้าผ่ามักข้างล่างเหมือนฟ้าแลบ เพราะเมื่ออริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นประหารอาวิชชาทั้งหมดถ้าอาวิชชาดับผลมีสังขารเป็นต้นก็ไม่มีดับเลยเนี่ยนะว่าเรียกว่าถ้าหัวขาดสักอย่างเดียวเนี่ยนะขาจะขยันเดินขนาดไหนก็ให้มันตายก็จบเลยนะถ้าหัวขาดไปแล้วอิมัสะนิโรธาอิทังนิรุตเชติความว่าเพราะปัจจัยมีอวิชาเป็นต้นนี้ดับคือเพราะมรรค ให้ถึงความเป็นธรรมชาติไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดูนั้นเป็นธรรมดานะหมายคือว่าถ้าอรหัตธรรมเกิดขึ้นอวิชชาไม่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาผลมีสังขารเป็นต้นนี้จึงดับคือไม่เป็นไปเลิกเป็นไปสัทีหนึ่งในข้อนี้พึงทราบว่าท่านแสดงลักษณะที่กําหนดลงภายในมีอาธิว่าเมื่อปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นไม่มีคือมีไม่ได้เพราะ ปั จ, จัยมีอวิชชาเป็นต้นนี้ดับคือไม่เกิดสังขารเป็นต้นก็เลยไม่ไม่เกิดแล้วก็เลยดับไปแต่อวิชชาดับนี้เพราะอริยมรรคเนี่ยนะถ้าเป็นบาลีเรียกว่าอาวิชชายตเวอเสสวิราคานิโรธาสังคารานิโรโธเนี่ยนะอวิชชายตเวอเสสวิราคาวิราคาตัวนั้นเป็นชื่อของอรหัตตมตรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์วิราคะตัวนั้นนะ วิราคาคืออริยมรรคคืออรหัตมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละกรรมจัดอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือเมื่ อ, อวิชาดับกรรมก็หมดสภาพกรรมนี้หมดสภาพเมื่อกรรมหมดสภาพปฏิสนธิวิญญาณก็ไม่หยางลงถ้าวิญญาณไม่หยางลงนามรูปเกิดได้ไหมไ ม, ไม่ได้เมื่อนามรูปไม่เกิดสักอย่างเดียวเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดได้ไหมก็ เ, เกิดไม่ได้ภาษาเวทนาเป็นต้นก็ดับเป็นขบวนไปหมดเลยเขาบอกว่าเหมือนอะไร เหมือนต้นบวบขมหรือต้นต้นบวบขมนะต้นไม้ที่มีเครือเถาใช่ไหมก็ถอนรากซะสิ้นเลยนะถอนรากตัดรากเดี๋ยวไม่นานเนี่ยมันจะเฉาไปถึงยอดหมดเลยมันจะเฉาแบบเคยเคยถอนต้นไม้ไอ้ถอนถอนเครือไม้ไม่ลักษณะนั้นนะถอนเถาวัลย์ถ้าถอนรากจนเด็ดขาดหมดแล้วเนี่ยเอามาตากคั่วแห้งหมดเลยปลายปลายไปมันจะเฉาแห้งตายไปหมดฉันใดถ้าสำ r รคตัดรากคือเหตุตัปัจจัยคืออวิชชาได้อย่าง เด็ดขาดแล้วเนี่ยนะอวิชชานี่เป็นรากนะเป็นเหตุปัจจัยเป็นรากแก้วของสังสารวัตรเนี่ยนะเป็นรากแก้วของวัตตะถ้าตัดรากแก้วรากแก้วคื อ, ค อ, คอรากที่มันหนาแ น, น่นและมั่นคงมากถ้าถอนรากถอนโคนอันนี้ได้หมดสิ้นแล้วสังสารทุกก็เป็นอันจบเลยน่าเสียดายอ๋อที่รายบอกไม่เสียดายแล้วนะสารุกไม่เสียดายจริงๆอนะ ทีนี้อันนั้นที่อธิบายไปเรียกว่าผู้แสดงแบบโดยย่อถ้าโดยพิสดารมาดูนะพิสดารว่าอาวิชานิโรธาสังขานิโรโถเพราะาวิชาดับสังขารจึงดับเนี่ยนะอวิชานิโรธาความว่าเพราะอาวิชาเนี่ยนะดับเด็ดขาดโดยอรยิยมรรคอธิบายว่าเพราะอาวิชาถูกอรหัตมรรคถอนขึ้นได้โดยเด็ดขาดด้วยการประหารอนุสัย อวิชชาเนี่ยเกิดขึ้นแทงตลอดอริยสัจโดยไม่มีส่วนเหลือเลยนะมองอะไรเป็นอริยสัจหมดเลยนนะไม่ใช่คิดถึงอริยสัจได้ทุกคำนะแต่หมายว่าแทงตลอดอริยสัจจริงๆ จ, จ, จนประหารอาวิชชาได้โดยเด็ดขาดในทุกที่ทุกอารมณ์เนี่ยนะหมายคําว่าเห็นทุกอย่างเข้าพระสมาบัติได้หมดเลยนะประหารกิเลส ท, ที่มีกําลังได้หมดเลย แม้ถ้าอาวิชาเมื่อถูกมัดเบื้องต่ำละได้ก็ย่อมละได้เฉพาะอำนาจถอนขึ้นได้โดยส่วนเดียวก็จริงถึงกระนั้นโซดาปฏิมักสากะทาคามีมักอนาคามีมักก็ยังละอวิชาไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะมัดเบื้องล่างตัดอวิชาได้อย่างไม่สิ้นเชิงก็อวิชาที่นำไปสู่อบายที่นำไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานที่นำไปเกิดในภพที่แปเป็นต้นเนี่ยนะ อวิชานั้นถูกโสดาปฏิมักตัดได้นนะโสดาปฏิมักคือปฐมมักตัดได้ส่วนอวิชาที่นำมาเกิดในภพที่สองเป็นต้นสกะทาคามิมักตัดได้อวิชาที่นำมาเกิดในกาลมาภพอานาคามิมักคือมักที่สามเนี่ยตัดได้ส่วนอวิชาที่เหลือคือสุดท้ายเนี่ยนะที่นำไปเกิดใน รูปประพบเป็นต้นเนี่ยอรหัตตมรจึงจักละได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้น อ, อ, อ, อวิชชาเนี่ยต้องถอนด้วยสี่มร์นะจึงจัดเด็ดขาดจริงๆเพราะอยู่ๆ อ, อรหัตตมรเกิดพรวดขึ้นมาเลยไม่ได้จะต้องเกิดโดยลําดับมร์จะต้องเกิดโดยลําดับมร์โซดาปฏิมร์กเกิดก่อนอนะแล้วก็ทําปัจเจกขณะยานตามสมควรนู่นแหละแล้วเจริญวิปัสนาแล้ว สก่ทาคามีมัชจึงเกิดเมื่อสก่าทาคามีมัชเกิดสก่ทาคามีผลก็เกิดขึ้นปัจเวคขณะยานเจริญวิปัสนาใหม่เนี่ยนะจนอาาคามีมัชเกิดเมื่ออาาคามีมัชเกิดอนณาคามีผลเกิดมีปัจเวคขณะยานแล้วเจริญวิปัสนาขึ้นใหม่อรหัตตมัชจึงเกิดว่างั้นนะสี่รอบด้วยกันเนี่ยนะทำกิจในการแทงตลอดอริยสัจสี่รอบนั่นแหละจึงจกตัดอวิชชาได้อย่างไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะ ถ้าแบบภาษาแพทย์หน่อยก็บอกว่าใช้ยาสี่เข็มจึงจะหายเด็ดขาดแล้วกันนนะเข็มที่หน่งโซดาปฏิมาคือไหมก็จนถึงนั่นเข็มสุดท้ายคืออระหะตะมัดจึงสิ้นเชื้อเนี่ยนะจึงสิส้นเชื้อคื อ, อวิชาได้อย่างเด็ดขาดมันคล้ายๆ ก, กับเชื้ออะไรนะเชื้อมาลาเรียใช่ไหมมาลาเรียต้องอะไรนะเรียกว่ากินยานหนึ่งชุดเข้าไปนะแก้ได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องกินสี่ครั้งอย่างเงี้ยมันจึงจะหาย นึกถึงเพราะเคยเป็นมาลาเรียามาดีมยังไม่ขึ้นสมอง <c oughs> ขึ้นสมองท่งนี้เงาขึ้นมานี่ยโยมไม่ต้องแปลกใจไลยเนี <c> ่ย <oughs> มาลาเรียขึ้นสมองแตนี้ยังไม่ขึ้น <c oughs> เพราะฉันยาไปแล้ว <c oughs> สังขารนิโรโทเนี่ยนะแปลว่าความดับสังขารก็คือสังขารไม่เกิดขึ้นหมดสภาพ <c oughs> เป็นปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารและ อเนชาพิสังขารเพื่อแสดงว่าก็เพราะสังขารดับไปอย่างนี้วิญญาณจึงดับนะหมายความว่าถ้ากรรมดับหมดสภาพแล้วปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นจะเกิดไหมก็เกิดไม่ได้ถ้าปฏิสนธิวิญญาณไม่เกิดนามรูปจะเกิดไหมก็เกิดไม่ได้ถ้านามรูปไม่เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดได้ไหมก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจักมีภาษาไหมถ้าไม่มีภาษาจักมีเวทนาไหม ถ้าหมดเชื้อหมดเยื่อใ่อย่างนี้แล้วตันหาเป็นต้นจกเกิดได้ไหมก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับสรุปว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมดับไปด้วยประการชนีแ้แหลเนี่ยเมือมม่อไหร่เนอเมื่อใดเมื่ออะรหัตมรรคเกิดอย่าเอาวันเวลามาวัดเลยเอาอะรหัตมรรควัดเพราว่า ถ้าเจริญอรหาตาัตตมรรคโพธิปักจะธรรมไม่บริบูรณ์ก็ได้แต่หวังแบบลมแบบแรงลมลมแรงแอย่งนันแหละ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งในที่นี้เพราะวิชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาจึงดับเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันกล่าวว่ากองทุกทั้งมวลดับไปโดยสิ้นเชิงแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ก็จึงถึงกระนั้นเพื่อแสดงเรือความนี้ในอนุโลมว่า ปัจจยุปันธธรรมใดๆยังไม่ดับไปคือยังเป็นไปอยู่เพราะปัจจยธรรมใดๆมีก็เลยกล่าวว่าอาวิชาปัจจยสังขาราสังขารปัจจยวิญญาณังเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงว่าสมุทยโยโหติดังนี้ฉันใดเพื่อแสดงว่าปัจจยุปันธธรรมคือผลนั้นๆย่อมดับไม่เป็นไปเพราะปัจจยธรรมนั้นนั้นไม่มีโดยเป็นปฏิปักษ์ต่อปัจจยุปันธธรรมนั้นๆหมายถาว่าตัดอาหารเนี่ยนะถูกตัดอาหารตัด ถ้าตัดอาหารได้โดยเด็ดขาดไปแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เกิดเพราะอาหารนี่จอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันถ้าตัดอาหารคืออาหารคืออวิชชาได้เด็ดขาดสังขารก็ดับอย่างเด็ดขาดก็เลยกล่าวว่าอาวิชชานิโรธาสังขานิโรโถสังขานิโรธ า, า, ราวิญญาณิโรโถวิญญาณิโรทานามารูปนิโรโถเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงอิมัสสะเกวลัสะทุกขขันธัสะนิโรถโถโหติดังนี้ฉันนั้น แต่ไม่ได้กล่าวเพื่อแสดงความดับแห่งกองทุกนับเนื่องในการสามเหมือนในอนุลม์เพิ่งทราบความแปลกกันแม้นี้ว่าจริงอยู่เมื่อไม่มีอริยมรรคภาวนากองแห่งทุกที่เป็นอนาคตท่านประสงค์เอาความดับกองทุกขที่ควรจะเกิดด้วยอริยมรรคภาวนาคือตั้งคำถามแบบนี้ว่ามรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยดับทุกในอนาคตใช่ไหม ถ้าดับทุกนในอนาคตทุกมันยังไม่เกิดแล้วไปดับมันทําไมเขาก็มีเรื่องคล้ายๆแบบนี้นะคล้ายๆกับว่ามีหมอคนหนึ่งไปหาหมออะไรเรียกว่าคนไข้ฝียังไม่เกิดเลยแต่บอกคนเนี้ยแกะจะเป็นฝีนะเามาฉันจะผ่าให้ฝีเขายังไม่มีเลยแล้วก็มาผ่าฝีให้เขาเสร็จแล้วก็เย็บแผลแล้วเรียกเงิเรียกสตังค์นะเขาจะยอมไหม <okay. S 1> นี่ก็เหมือนกันเ้าบอกว่าดับทุกนในอนาคตเอามันยังไม่เกิดซะหน่อยแล้วไปดับมันทําไม นะนะท่านคําว่าดับทุกในอนาคตหมายที่นี้หมายคือว่าตัดเชื้อหมายคือว่าเชื้อตัวนี้ถ้ายังมีอยู่กองทุกขในอนาคตก็มีเพราะฉะนั้นการตัดเชื้อแบบนี้แหละเหมือนกับการตัดกองทุกขในอนาคตเหมือนกับตัดปัญหาในอนาคตรู้ว่าต้นเหตุของปัญหามาจากอย่างนี้นะถ้าตัดปัญหาซะผลอันนั้นก็ก็หมดนั่นเะนะ ทีนี้พระองค์เนี่ยพอพิจารณาความสิ้นไปแห่งตัดใจว่าเออเนี่ยถ้าวิชาดับนะสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับเป็นต้นใค่ครวนใค่ครวนแบบนี้ไม่ใช่ใคร่ครวนธรรมดานะสี่ชั่วโมงพอมายังนึกในใจว่าพระองค์ใค่ครวนยังไงเนี่ยยังยังต้องไปเรียนต่ออีกเนี่ยว่าคิดยังไงตั้งสี่ชั่วโมงเนี่ยนะยังบางเรื่องยังนึกไม่ออกเลยพระองค์คิดยังไงนะคิดว่าอะไรแล้วตั้งสี่ชั่วโมงแล้วปัญญาพระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบเราเนะ แบบเราเราเนี่ยนะเห็นก็ตามอักษรไปอย่างที่อัตกถาในสั่งยุธนิกายท่านบอกว่าช่วเวลาหายใจเข้าออกเนี่ยนะหายใจเข้าลึกๆอย่างเดียวเนี่ยพระองค์ระลึกได้9กบเกลับปัญญาขนาดนั้นเนี่ยนะทั้ง4ี่ชั่วโมงเนี่ยยังนึกในใจว่าพราะองค์คิดว่ายังไงเนี่ยนะคิดถึงแค่ไหนอะไรยังไงก็ไม่ใช่สงสยัยนะครับลักษณะวิจิกิจชา้าแต่ว่ามีฉันทะอยากจะรู้จริงๆว่า คิดได้อย่างไงเนี่ยนะคิดว่าอย่างไรเป็นต้นอยากจะรู้จริงๆเหมือนกันแต่คืออย่างว่าเอสงสัยจริงๆเนื้อหาในคำในสูตรเนี่ยในเล่มเนี้ยมีอะไรบ้างไม่ใช่สงสัยว่าเอเล่มนี้ดีผิดหรือถูกไม่ได้สงสัยในแง่นั้นแต่ว่าพูดถึงว่ามอยากจะรู้จริงๆเหมือนกันใครอธิบายได้มันช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะทีนี้พูดถึงว่าบทว่าเอตมัตถังวิธิตวาความว่า รู้อัถฐนี้ที่ท่านกล่าวว่ากองทุกขมีสังขารเป็นต้นย่อมดับด้วยอํานาจอาวิชาดับเป็นต้นโดยอาการทั้งปวงรู้เลยเพราะรู้อย่างนี้พระองค์ก็เปล่งอุทานว่าอิมังอุทานนางอุทานเนสิความว่าทรงเปล่งอุทานนี้อันแสดงอนุภาพแห่งการอย่างรู้การสิ้นไปแห่งปัจจัยมียวิชาเป็นต้นที่ประกาศไว้อย่างนี้ว่าเพราะาวิชาดับสังขารจึงดับเป็นต้นเนะ ในข้อนี้มีเนื้อความโดยสังเขปดังต่อไปนี้ว่าเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทั่วถึงแทงตลอดความสิ้นไปกล่าวคือความดับความไม่เกิดขึ้นแห่งปัจจัยธรรมเมียวิชาเป็นต้นฉะนั้นโพธิปัจจิยธรรมหรือจตุสัจธรรมมีประการดังกล่าวแล้วปรากฏเกิดขึ้นหรือแจมชัดแก่พรามคือพระอารหันต์นั้นนะผู้มีความเพียรเพ่งอยู่โดยนัย ดังกล่าวแล้วทีนั้นความสงสัยสงสัยอะไรสงสัยอดีตอนาคตเป็นต้นเนี่ยที่เคยกล่าวไปแล้วในการก่อนก็เพิ่งเกิดขึ้นปกติความสงสัยที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรทำไมจึงสงสัยก็เพราะไม่รู้แจ้งความดับปัจใจโดยชอบโดยชอบแปล ว, ว่าดับโดยถูกต้องทั้งหมดย่อมหายไปคือย่อมดับไปมันถ้าแทงตลอดนิโรศ จ, จะแทงตลอดพระนิพพานได้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นอัน รู้ถึงความรู้ถึงพระนิพพานยางี้แล้วก็ดับดับความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพระนิพพานทั้งหมดโดยประการทั้งปวงพเราเรียนไม่ถึง1ินาทีเนี่ยนะจบเลยเพระองค์พิจารณาสี่ชั่วโมงนี่ <c oughs> มาดูสูตรที่สามเนี่ยนะสูตรที่สามสี่ชั่วโมงสุดท้ายนะตีสองถึงหกโมงเช้าว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรูใ้ใหม่ๆประทับอยู่ที่โคนไม้โพลใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราที่ตำบลอุรุเวลาก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขด้วยบาลังอันเดียวตลอดเจ็วันครั้งนั้นแลพอล่วงสัปดาห์นั้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วทรงมณสิการปฏิจจสมุบบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมด้วยดี ตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีดังนี้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดอันนี้เป็นอะไรอนุโลมเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับอันนี้เป็ น, นปฏิโลมอนุโลมพิสดารก่อนว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยประการดังอย่างนี้ที่นี้ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมโดยปฏิโลมแบบพิสดารว่าเพราะอวิชชานั้นแหลดดับโดยสำรอกไม่เหลือดับก็คือนิโรธน่ะนะ สามรอบก็คือวิอาราคะหมายคือว่าอริยมรรคแทงตลอดพระนิพพานอรหัตตมรรคแทงตลอดพระนิพพานเกิดขึ้นอวิชานี้ก็จางดับไปหมดเหมือนกับว่าเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปถ้าความมืดดับไปหมดแล้วคืออวิชาดับไปหมดสังขารก็ดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัญหาจึงดับเพราะตัญหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความคือเนื้อความรวบยอดทั้งหมดนั้นะนะ โปรงก็เปล่งอุทานในเวลานั้นว่าในการใดแลทำทั้งหลายมาปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ดดพระอาทิตย์กำจัดความมืดส่องแสงสว่างอยู่ในอากาศเช่นนั้น <c oughs> ถ้าตั้งคำถามว่า มีคำถามว่าท่านกล่าวความเป็นไปของมนาษิการในปฏิจจสมุปบาทไว้ในสูตรทั้งสองโดยอนุโลมและปฏิโลมแม้ในก่อนแล้วไม่ใช่หรือเพราะเหตุไรในที่นี้ท่านจึงกล่าวความเป็นไปของมนาษิการด้วยอำนาจสูตรนั้นอีกเล่าทำไม้สูตรแรกก็อนุโลมสูตรที่สองก็ปฏิโลมทำไมมาสูตรที่สามทั้งอนุโลมและปฏิโลมมาควบคู่กันไปก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่2ก็พอแล้ว ทำไมก็ต้องมาพิจารณาอีกตั้งสี่ชั่วโมงเนี่ยนะทั้งอนุโลมและปฏิโล ม, มาชนกันอีกเมืกันตอบว่าเพราะมนาสิการไว้ในปฏิจจสมุบาทถึงวาระที่สามด้วยอํานาจสูตรทั้งสองนั้นถามว่าก็ท่านประกาศมนาสิการไว้โดยสูตรทั้งสองนั้นอย่างไรเพราะใครใคไม่อาจมนสิการปฏิจจสมุบาต ท, ทั้งอนุโลมและปฏิโลมไม่ก่อนไม่หลังกันใครมันจะพิจารณาพร้อมกันได้ ตอบว่าข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นว่าทรงมณสิการอนุโลมและปฏิโลมทั้งสองนั้นรวมกันคือพิจารณาทีเดียวเลยรวบไปหมดไม่ใช่โดยที่แท้ทรงมณสิการเป็นวาระเป็นรอบๆไปวาระนี่แปลว่ารอบนะพิจารณาเป็นรอบๆไปจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมณสิการถึงปฏิจจสมุบาทโดยอนุโลมก่อน แล้วก็ส่งเปล่งอุทานครั้งแรกอันสมควรแก่การมนสิการนั้นอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะแม้ครั้งที่สองส่งมนัสิการถึงปฏิจจสมุปาทนั้นโดยปฏิโลมแล้วทรงเป่งอุทานอันสมควรแก่มนัสิการนั้นเหมือนกันส่วนครั้งที่สทร่งมนสิการถึงอนุโลมปฏิโลมด้วยสา ม, มารถมนสิการเป็เปนอนุโลมโดยการหมายถึงว่าพิจารณาอนุโลมตามกาละอันสมควร พิจารณาปฏิโลมโดยการคือตามกาละอันสมควรด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าบทว่าอนุโล ม, มะปฏิโลมมังได้แก่อนุโลมและปฏิโลมด้วยอำนาจอนุโลมและปฏิโลมตามที่กล่าวแล้วสรุปแปลว่าอะไรสรุปว่าด้วยคํานี้เป็นอันประกาศความที่มนุิการคล่องแคล่วมีกําลังและมีความชํานาญนะทั้งคล่องแคล่วและชํานาญอย่างเต็มที่เลยนะ แต่ในที่นี้พึงทราบวิพาคษคือการจำแนกแห่งอนุโลมและปฏิโลมเหล่านั้นด้วยสามารถส่วนเบื้องต้นที่เป็นไปอย่างนี้ว่าเรามานาสิการถึงอนุโลมมานาสิการถึงปฏิโลมมานาสิการถึงอนุโลมและปฏิโลมถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยนะถ้ากล่าวถึงอนุโลมปฏิโลมควบคู่กันไปเนี่ยนะจะจะเป็นการพิจารณาในลักษณะว่าชรามรณะ ชารามรณะสมุทัยอันนี้อนุโลมใช่ไหมชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธถ้าขามินีปฏิปทาอันนี้เป็นปฏิโลมเนี่ยนะเพราะว่าอนุโลมหมายถึงวัตตะชารามรณะชรามรณะสมุทัยอันนี้เป็นวัตตะเป็นสังสารวัตรชารามรณะนิโรธชารามารณะนิโรธถ้าขามินีปฏิปทาอันนี้เป็นวิวัตตะเนี่ยนะอันนี้เป็นปฏิโลมเนี่ยนะก็พิจารณาลักษณะนี้ ในญาณวัตถุ44นี่แสดงไว้อย่างนั้นญาณวัตถุ44สังยุตตานิกายนิทานวัชนะกล่าวถึงชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธาคามินีปฏิปทาชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธาคามินีปฏิปท า, าไปอีกพบพบสมุทัย พบนิโรธพบนิโรธขามินีปฏิปทาอุปาทานอุปาทานสมุทัยอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธคามินีปฏิปทาตันหาตันหาสมุทัยตันหานิโรธตันหานิโรธคามินีปฏิปทาเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทา ผัสสะผัสสะสมุทัยผัสสะนิโรธผัสสนิโรธคามินีปฏิปทาสลายตนะสลายตนะสมุทัยสลายตนะนิโรธสลายตนะนิโรธคาไินีปฏิปทานามรูปนามรูปสมุทัยนามรูปนิโรธนามรูปนิโรธคามินีปฏิปทาวิญญาณวิญญาณสมุทัย วิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคามิหนีปฏิปทาสังขารสังขารสมุทัยสังขานิโรธสังขา น, ขา น, นิโรธคามินีปฏิปทาอวิชาอาวิชาสมุทัยอวิชานิโรธอวิชานิโรธคามินีปฏิปทา บางแห่งเพิ่มมาอีกคํานึงว่าอาสะวะเพราะอาสะวะเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาใช่ไหมอาสะวะอาสะวะสมุทัยอาสะวะนิโรธอาสะวะนิโรธค า, ามินีปฏิปทาถ้าอย่างนี้จะเป็นอนุโลมและปฏิโลมควบคู่เคียงคู่กันไปแต่ตรงนี้ก็แสดงอีกวิธีหนึ่งนะคือวิธีการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีการใช้พยัญชนะที่ซ้ํำซากง่ายๆนะนะเพราะอะไรเพราะผู้ฟังเนี่วิจิตจริงๆเลยนะ วิจิตมากๆเลยอย่างอาหารที่บริโภคเนี่ยนะก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนะเครื่องเทศที่ปรุงบนโต๊ะเนี่ยไม่มีรสชาติเหมือนกันสักคนหรอกเนี่ยนะปรุงได้ยังไงไม่รู้ได้คนละคนเนี่ยนะเครื่องเ ท, เทศเท่ากันใช่ไหมมีมีบนโต๊ะอยู่เท่ากันหมดแต่ว่าคนละรสกันไดเ้เพราะน้ําตาลเป็นต้นเติมไม่เท่ากันเนี่ยนะชั้นใดก็ดีการฟังธรรมของผู้ที่ฟังอริยสัจจะทำในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันการใช้พยัญชนะกับแต่ละคนนี่พระองค์จะใช้ ไม่เหมือนกันแต่สาระคงเดิมทุกประการก็หลักการก็คือทุกสมุทยัยนิโรธมักคงเดิมทุกประการแต่ว่าเอาทุกเนี่ยมาจําแนกว่าทุกคืออะไรทุกคือขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์อะไรเนี่ยนะทุกมาจําแนกเป็นอะไรปิยรูปสารรูปมาจําแนกยยเยอะยๆไปหมดเลยเพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยนะแต่ว่าสรุปคําสอนจะแสดงกว้างขวางลึกซึ้งพิสดารขนาดไหนก็ช่างเถอะวัตถุประสงค์คงเดิมคือกําจัดอวิชชา นนะกำจัดอวิชชาและก็กำจัดภาวะตันหานั่นแหละมาดูข้อความในหน้า79โย่อหน้ากลางที่บอกว่าบรรดาคาถาเหล่านั้นคาถาที่บอกว่าอาวิชายะตะเววะตัดบทเป็นอวิชายะตกเอวะบทว่าอาเซสวิราคานิโรธาได้แก่เพราะอาวิชชาเนี่ยดับโดยไม่เหลือด้วยอริยมักกล่าวคือวิราคธรรม อธิบายว่าเป็นการละโดยไม่เกิดขึ้นด้วยอรหัตธรรมอย่างสิ้นเชิงหมายคขาว่าตั้งแต่อรหัตรรคเกิดขึ้นแล้วนะอวิชชาไม่ได้โอกาสอีกต่อไปจริงอยู่สังขารบางอย่างดับด้วยมรรคสมเบื้องต่าบางอย่างไม่ดับเพราะอาวิชาาวชาดับยังมีส่วนเหลือแต่สังขารบางเหล่าจะไม่ดับไม่มีเพราะอรหัตมรรเกิด ขึ้นดับอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือแปลว่าถ้าวิชายังเหลือสังขาร <Perry> ก็ Venus. ยังเห well. ลือด้วยถ้าส erm ังขารเหลือวิญญาณก็เหลือถ้าวิญญาณเหลือนามรูปก็เหลือสังสารวัตรก็ยังเหลือถ้าอวิชชาดับโดยเด็ดขาดไม่มีเหลือสังขารก็ไม่เหลือถ้าสังขารไม่เหลือวิญญาณก็ไม่เหลือเป็นต้นบทว่าเอตมัตถังวิทิตวากที่แปลว่ารู้แจ้งเนื้อความนี้คือรู้แจ้งอัตถานี้โดยอาการทั้งปวง ที่ท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจอาวิชชาเป็นต้นว่ากองทุกมีสังขารเป็นต้นเกิดเพราะอาวิชชาเป็นต้นเกิดกองทุกมีสังขารเป็นต้นดับเพราะอาวิชชาเป็นต้นดับหมายก็ว่ารู้ทั้งอนุโลมและปฏิโลมก็แปล่งอุทานว่าอิมังอุทานนางอุธานเนสิกความว่าทรงแปล่งอุทานมีประการดังกล่าวแล้วอันแสดงอนุภาพของอริยมรรคอริยมรรคนี่แหละเป็นเหตุให้รู้แจ้งถึงอัฏฐ์กล่าวคือการเกิด และการดับกองทุกการเกิดของกองทุกเป็นอะไรสัจจะการเกิดขึ้นของกองทุกเป็นสมุทัยสัจจะความดับแห่งกองทุกเป็นนิโรสัจจะอริยมรรคเนี่ยนะตรัสรู้การเกิดขึ้นแห่งสมุทัยสัจด้วยกิจตรัสรู้ความดับแห่งกองทุกคือนิโรด้วยอานาจการทำให้เป็นอารมณ์เนี่ยนะทำให้เป็นอารมณ์นะ การเกิดนี้อริยมรู้โดยกิจการดับนี้รู้โดยอารมณ์ในข้อนั้นมีความโดยย่อดังต่อไปนี้เมื่อใดแลธรรมะทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมานและเสนามานเสียได้ด้วยโพธิปัจขยธรรมที่เกิดขึ้นเหล่านั้นอ น, อนุภาพของโพธิปัจขยธรรม37ประการเนี่ยนะกำจัดมานคือกิเลสมานและ เสนาคือบริวารของมารทั้งหลายก็ถูกกำจัดไปหมดด้วยอำนาจของโพธิปัจขยธรรมหรือด้วยอำนาจอริยมักขยานอริยมัคนี่แหละเป็นเหตุให้ปรากฏแห่งจตุสัจธรรมคืออริยสัจธรรมทั้ง4ี่ประการปรากฏเกิดขึ้นเพราะอริยมักปรากฏบทว่าวิทูปยังติทติมารเสนังความว่ากำจัดขจัดทำลายมารและเสนามาร มีประการดังกล่าวแล้วโดยนายเป็นต้นว่ากามเหล่านั้นเป็นกองทัพที่หนึ่งของมารมารเขามีกองทัพที่หนึ่งคือกามเป็นต้นในปรัพชาสูตรเนี่ยนะจะมีกล่าวเอาไว้ถามว่ากาจัดอย่างไรอุปมาเหมือนอะไรตอบว่าเหมือนพระอาทิตย์เวลาเกิดเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นก็ทาอากาศให้สว่างสวัยอธิบายว่า พระอาทิตย์โคโจรคือท่องไปเนี่ยนะทำอากาศให้สว่างสวัยด้วยรัศมีของตนแล้วกาจัดความมืดลอยอยู่ฉันใดพรามผู้ขีนาศขีนะบวกอาสวะเนี่ยนะแปลว่าผู้สิ้นอาสวะแม้นั้นก็ฉันนั้นแทงตลอดสัจจะคืออริยสัจจะทำทั้งสี่เหล่านั้นหรือแทงตลอดด้วยมัรคยานนั้นชื่อว่าย่อมกาจัดมานและเสนามานเสียได้ นะเพราะแทงตลอดอริยสัตว์โดยถูกต้องโดยประการทั้งปวงนี่แหลนะจึงกําจัดกิเลสสมานกําจัดบาปอากุศลได้โดยประการทั้งปวงสรุป3สูตรเลยนะสรุป3สูตรในยามทั้ง3ยามสามมีลายปฐมยามมัชชิมายามและปัจฉิมายามปฐมายามคือ6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มมัชชิมายามคือสี่ทุ่มถึงตีสองปัจฉิมายามคือตีสอถึงหกโมงเช้านะี่ยนะ ในยามทั้งสาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอุทานทั้งสมเหล่านี้อันประกาศอนุภาพแห่งการรู้ชัดปัจจัยการในยามที่หนึ่งสี่ชั่วโมงแรกเน้นเน้นตัวปัจจัยอนะันนเน้นความเกิดขึ้นของปัจจัยยามที่สองคือเน้นความดับไปแห่งปัจจัยอนะันนเน้น เ, เรียกว่าปฐมยามเน้นความเกิดมัชชิมยามเน้นความเสื่อม ปชิมยามคือยามที่3เน้นการบรรลุอริยมรรคเน้นว่าอริยมรรคเกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยประการชนี้ถามว่าในราตรีไหนคืนไหนที่พระองค์พิจารณาทั้งคืนขนาดนี้ตอบว่าในคืนที่เจแห่งการต ร, รัสรูออ้อภิสัมโพธิญาณอภิปแปลว่ายิ่งสัมโพธิญาณแปลว่าการตรัสรู้โดยถูกต้องเป็นการตรัสรู้พิเศษสูงสุดเนี่ยนะ ที่เป็นการตรัสรู้แล้วยังผู้อื่นให้รู้ตามอีกหาที่สุดไม่ได้ทีนี้พูดถึงย้อนไปคืนแรกก่อนนะคืนคืนที่คืนวิสาขะย้อนไปที่คืนวิสาขะว่าในคืนวิสาขะเนี่ยนะหัวค่ํายามพลโผล่เพลเนี่ยกําจัดมารใช่ไหมอันนี้กําจัดเทวปุตตมานได้จริงๆไม่ได้ไปฆ่าอะไรเขาหรอกแล้ลึกถึงวารมีเขาก็เลยกลัวหนีไปนั่นเอง เสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เจริญอานาปานสติเนี่ยนะแป๊บเดียวพระองค์ก็ได้ฌาน4แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ระลึกปุปเพนิวาสานุสติยานคือระลึกชาติ่สี่ชั่วโมงเนี่ยนะระลึกชาติอันนี้คืนวิสาขะนะเดี๋ยวเอกไม่กี่วันจะถึงวันวิสาขะแล้วใช่ไหมจะได้ระลึกถูกว่า4ี่ชั่วโมงแรกคือ6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนี่ยระลึกชาติอย่างเดียว สี่ทุ่มถึงตีสองชําระทิปจักสุยานคือพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายพิจารณาหมู่สัตว์ที่เป็นไปตามกรรมนะเที่ยงสวัสดีสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยพิจารณาหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเป็นการพิจารณาแบบโหจักรวาลเป็นเป็นหมื่นจักรวาลเลยแหละเนี่ยนะไม่ใช่พิจารณาแค่เฉพาะหน้าอะไรหรอกพิจารณาเป็นหมื่นจักรวาลส่ว so, น ห ล, งลังจากตีสองเป็นต้นไปก็ยังลง เ, เ, เรียกว่าทรงยางพระยานลงในปฏิจจสมุบาทในปัจฉิมยามทรงพิจารณาสังขารอันเป็นไปในภูมิสามโดยนัยะต่างๆนะโดยนัยะต่างๆที่กว้างขวางลึกซึ้งเนี่ยนะทรงดาริว่าบัดนี้อรุณจะขึ้นก็ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในลำดับที่เกิดพระสัพพัญญุตยานอารุณก็ขึ้น หมายคําว่าพออรหัตตมัคคายานที่เรียกว่าสัมมาสัมโพธิยานอรยมัคคายานเกิดขึ้นอรหัตตผลก็เกิดหลังจากอรหัตผลเกิดขึ้นสัพพัญยุตยานก็เกิดขึ้นสัพพัญยุตยานนี้เป็นชื่อของมหากิริยายาณสัมปยุทธ์นะีอภิสัมโพธิยานนี้เป็นชื่อของอรหัตตมัคคายานหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงยับยัง้งประทับนั่งณควงโพพฤกโดยบาลังเดียวนั่นแหละ เจ็ดวันเนี่ยนะก็คือพอในราตรีวันวันห น, นึ่งค่านในวันปาติบทก็มนัิการถึงปฏิจจสมุบาตโดยในยะที่กล่าวแล้วในยามทั้ง3ส่วนการพิจารณาทั้งคืนเนี่ยนะคืนวันปาติบทอ น, นวันปาติบทก็แรม1คํา2ค่า3ค่า4ค่า5ค่าค่ค่า7ค่าเนี่ย ในราตรีที่7หมายคืว่าคืนที่7ก็แสดงว่าประมาณ6ค่ำเนี่ยพระองค์พิจารณาธรรมะทั้งคืนนะนะแต่มาในขันธกะทั้งสมวาระขันธกะนี่คือที่ไหนวินัยปิดกฉบับเราเนี่ยอยู่เล่มที่6เนี่ยเล่มเล่มที่หขันธกะก็ยกมาทั้งสมวาระคือข้อความในสสูตรเนี่ยนะไม่ใช่มีอยู่ตรงที่นี้ที่เดียว ไม่ใช่มีอยู่ในเล่มนี้เล่มเดียวเหมือนกันเลยแบบฟอร์มคล้ายกันมีอีกที่หนึ่งคือในเล่มเล่มหกในพระวินัยปิฎกะนะชื่อว่ามหาคันธกะมหาคันทกะพระองค์ก็ทรงมณสิการถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมท่านจึงกล่าวไว้ในอัตกถาคันธกะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามณสิการอย่างนี้ในยามทั้งสามแล้วทรงเปล่งอุทาน เหล่านี้อย่างนี้คืออุทานที่1ด้วยอำนาจการพิจารณาปัจจยาการอุทานที่สองด้วยอำนาจการพิจารณาพระนิพานอุทานที่สด้วยอำนาจการพิจารณาอริยมรรคคานั้นก็ไม่ผิดไหมคราะว่าคําอธิบายทั้งหมดนี้ก็คืออธิบายเรื่องเดียวกันนั่นแหละถ้าสรุปให้ดีเนี่ยนะพิจารณาทั้งคืนทั้ง12ชั่วโมงคือพิจารณาอะไรปัจยาการก็คือสมุทยัยสัจจะนะความสิ้นแห่งปัจจัยก็คือนิโรสัจจะ พิจารณาริมักก็คือมักขสัต จ, จักก็พิจารณาสมุทัยนิโรธมักสมุทัยนิโรธมักอาศัยอะไรต้องต้องอาศัยอะไรไหมจึงกับพิจารณาได้อาศัยทุกนี่แหละเป็นตัวพิจารณาทุกนี้เป็นสิ่งที่ยืนพื้นอยู่แล้วประดุดแผ่นดินเพราะฉะนั้นจะพิจารณาสมุทัยก็สมุทัยมันทํำอะไรเกิดให้ทุกเกิดความดับสมุทัยก็ดับอะไรเพราะเน้นไปที่ดับกองทุก อริยมรรคเนี่ยก็คือตัวที่กําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทําพระนิ่ผ่านให้แจ้งพวันถ้ากล่าวสมุทัยนิโรธมรรคทุกขสัตว์ก็ชื่อว่าเป็นอันกล่าวเรียบร้อยอยู่แล้วเนี่ยนะว่าความดับความเกิดขึ้นแห่งกองทุกความดับแห่งกองทุกเพราะสมุทัยคือการเกิดขึ้นแห่งกองทุกขนิโรธคือความดับไปแห่งกองทุกเนี่ยนะตัวที่ไปทําให้ตรัสรู้การเกิดและการดับแห่งกองทุกก็อนุภาพของอริยมรรคนั่นแหละ สรุว่าพิจารณาอริยสัจ42ชั่วโมงอนนะคืนที่บรรลุนี่ก็พิจารณาอยู่แล้วใช่ไหมหลังจากนั้นก็พิจารณาอีกแล้วหลังจากนั้นอีกอะนะท่านก็บอกว่าจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาธรรมะในระหว่างภายในสัปดาห์ที่หกสัปดาห์ทั้งหที่เหลือเว้นสัปดาห์ที่ประทับนะรัตนครเจดีโดยมากทรงเสวยวิมุตติสุขคือ หสัปดาห์เน้นสเสวยวิมุตติสุขแต่ว่าสัปดาห์ที่อยู่ที่รัตนคระเจดีเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตให้เนี่ยพิจารณาพิธรมอย่างเดียวเจ็ดวันเขาบอกว่าเจวันที่พระพุทธเจ้าพิจารณานะถ้ามาเขียนเป็นอักขระเนี่ยไม่มีที่เก็บอะไม่มีที่เก็บเพราะเยอะจริงๆเอาแค่พระไตรปิฎกนะถ้าไม่มีเปไม่มี9้าวรอก้านี่จะเยอะขนาดไหนแต่ดีนะว่าท่าน ตะก้าวรอก้าหรือเขาเรียกว่าไปยานใหญ่เนี่ยนะกับจุดจุดุดเนี่ยโอ้ยช่วยให้ลดหนังสือไปเยอะเนี่ยนะไม่ ง, งั้ น, นต้นพิมพ์การพิมพ์เนี่ยสูงวันนี้อีกเท่าตัวแต่ดีว่าจุดจุจุดเนี่ยช่วยไว้เยอะเนี่ยนะแต่ว่าในในรัตนคระเจดีเนี่ยนะก็คืออยู่ด้านทิศอะไรนะตะวันตกเฉียงะตะวันตกเฉียงเหนือของขอ ง, ของต้นโพเนี่ยนะ ตวันตกเชียงเหนือต้นโพเนี่ยจะมีที่เรียกว่ารัตนคฤชเจดีเรือนแก้วครั้งไปไปครั้งที่แล้วก็ไปหอมผ้าที่ที่เรือนแก้วอยู่นะหอมผ้าพระเจดีเนี่ยนะมันก็ไประลึกถึงที่พระ อ, องค์ประทับพิจารณาพระพิธรรมปดกเพราะนั้นใครที่ศึกษาพระธรรมเยอะๆเนี่ยนะไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิประเทศอินเดียเนี่ยมหนมีเรื่องอะไรคิดเยอะๆไปหมดเลยสําคัญว่าพอคิดกําลังจะคิดนี่ก็หมดเวลากลับบ้านแล้วอย่างนี้ เรไปใหม่ล เ, เลยนะดีแล้วที่ไม่ให้เข้าไปเหยียบโคนต้นโพนะ น, น, นี่นะต้นโพนี่นะต้นพระีมหาพโพนี่มีต้นโพที่ใด อ, อ, อยากขึ้นะคืออย่างี้นะว่าที่ใดที่คนกราบอยากคิดว่าไม่มีคนคิดฆ่าเพราะฉะนั้นก็มีกลุ่มลัทธิอื่นที่เอาอยาพิษไปโรยต้นโพเอาอยาพิษไปโรยต้นโพต้นโพก็เลยปางตายเลยครนี้ ก็เลยให้นักพฤกษศาสตร์เนี่ยนะมาช่วยฟื้นฟูต้นโทแต่ก็ดูท่าแล้วน่าจะไม่รอดเนี่ยนะเพราะว่า ด, ดูธาแล้วน่าจะไม่รอดก็คงอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะไม่คิดว่าสองสามปีนี้ก็น่าจะตายแล้วดูธาแล้วแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้ใครเข้าไปเนี่ยนะคือจริงๆเพราะว่าคนที่เข้าไปเหยียบพื้นดินเนี่ยนะตัวฐานคือดินนี่มันก็แน่นแน่นอยู่แล้วว่าวันหนึ่งไปเป็นพันไปเป็นหมื่นเนี่ยนะไปเหยียบต้นนั้นเนี่ยนะ ก็คือไปกระทุงกระทุงกระทุงตรงนั้นเข้าเนื้อดินจะแน่นขนาดไหนรถน้ําด้วยแล้วก็เหยียบรดน้ําแล้วก็เหยียบรถน้ําแล้วก็เหยียบยอมว่ามัจะแน่นขนาดไหนด้วยแล้วเอายาพิษไปรถด้วยตายเร็วยิ่งขึ้นเลยกระ น, นี้แต่ว่าต้นโพต้นนี้ก็คือต้นรุ่นที่สี่แล้วนะก็คงปลูกใหม่เป็นต้นที่ห้าต้นที่หไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่ก็ใครที่ไปที่นั่นก็ระลึอกอะนะโดยเฉพาะตรงแท่นวัชระอาจเนี่ยนะ แท่นอาสนะที่เป็นประดุลเพชรที่พระองค์ประทับนั่งแล้วก็ตรัสรู้พระนุตระสัมมาสัมโพธิญาณพิจารณาธรรมะโดยเฉพาะพระญาณเนี่ยที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นเนี่ยหาที่สุดไม่ได้จริงๆเพราะคุณธรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างเจวันเนี่ยนะไม่มีจบมีสิ้นเลยว่าไม่มีใครคำนวณได้เลยว่าเท่าไหร่กันแน่พระญาณทั้งหมดคิดดูว่าบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาตลอดสอสงไขยเศษแสนกับ เพื่อจะให้ถึงวันนั้นเนี่ยนะเพื่อให้พระยานทั้งปวงให้คุณธรรมทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นพระองค์ก็เลยประทับนั่งอยู่เจ็ดวันเนี่ยนะสวยวิมุติสุขด้วยและเฉพาะคืนที่เจ็นี้ก็พิจารณาธรรมะอย่างละเอียดสี่ชั่วโมงเนี่ยนะเออขอไปสิบสองชั่วโมงทีนี้เทวดาก็เลยสงสยัยว่าเออพระสิทธะเนี่ยสงสยัยยังบรรลุไม่หมดยังไม่ได้บรรลุมะยังบรรลุไม่หมดจะต้องมีอะไรบรรลุเพิ่มอีกแน่จึงไม่ยอมลุกสัทีหนึ่งเหมือนน พระองค์ก็เลยตัดความสงสัยของเทวดาแสดงยมกะปาฏิหารพอแสดงย่ำมกะกาปาฏิหารเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปข้างหน้าเรียกว่าไปยืนอยู่ตรงเจดีข้างหน้านะเรียกว่าอนิมิตสเจดีเนี่ยประทับดูแลดูที่ที่พระองค์ตรัสรู้นะนะด้วยตาที่ไม่กระพริบเจวันแต่พระองค์ก็ไม่ใช่ว่าดูด้วยจักรคูวิญญาณนะไม่ใช่ของเราก็ตาตาต า, ตาเนื้อเป็นเครื่องวัด น, นะเพราะมีตาเนื้อก็ ใช่แต่ตาเนื้อเป็นเครื่องวัดแต่ที่จริงก็คือยืนเข้าพระสมาบัติเป็นต้นนั่นแหละเน่ยนะยืนโดยท่าลืมตานะโดยไม่ใช่หลับตาโดยลืมตาแล้วก็เข้าพระสมาบัติพิจารณาพระธรรมไปตรงนั้นเจ็ดวันแล้วพระองค์ก็เดินจงกรมระหว่างเจดีตรงนั้นนะนะมหาต้นโพเนี่ยเดินจงกรมอย่างนี้อีกเจ็ดวันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปประทับนั่งที่รัตนคระเจดีอีกเจ็ดวันก็เสด็จไปที่ อาชาปาระนิโครธไปที่สามุจลินเป็นต้นนะก็ตอนหลังก็พิจารณาที่จะสงเคราะห์หมูสัตว์ส่วนอาชาปาระนิโครธซึ่งเป็นสัปดาห์ที่5้าสัปดาห์ที่ห้าก็คงเป็นพรุ่งนี้เช้านะยอมนะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะกลับบ้านได้แล้วนี่ก็ขออนุมโมทนากับกุศลที่เราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟัง น, นะด้วยฉันทะวิรยิยะอุสาหะอย่างเต็มที่ ตั้งแต่เช้าบ่ายค่ำขอกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยได้ตรัสรู้พระธรรมทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพื่อความสิ้นปลายแห่งกองทุกทั้งมวลทุกคนทุกท่าน น, นะด้วยอนุภาพแห่งสติปัญญาเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อขจัดอันตรายทั้งภายในทั้งภายนอกของทุกท่านโดยประการทั้งปวงนี่ก็อุทิศส่วนกุศลพร้อมกันก่อนนะเจนพอรอ่ะไหวพระก่อนแล้วก็อุทิศส่วนกุศล น, นะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะโข